อจเจริญพรก็ธรรมาก็ได้ไปอินเดียมาก็เกิดบเกินเดือนหนึ่งนะก็ได้ไปอยู่สังเวชนียสถานต่างๆเนาะแล้วก็ที่พุทธกยาเนี่ยก็มี <c oughs> ชาวพุทธเยอะมีมีทั้งอ่สวดมนต์กัน <c oughs> แล้วก็ไปบัตรรักันเนาะก็มีมีอยู่เยอะเหมือนกันที่สวดมนต์ก็มีเยอะนะบางทีก็ตั้งใจสวดมนต์กันมากมาย สวดธรรมจากบ้านหรือสวดมนต์ต่างๆบ้านเนาะก็สวดเป็นภาษาบาลีกันแต่ไม่รู้ว่าเข้าใจความหมายหรือเปล่าเนะาะคราวนี้ถ้าเรามาดูแล้วเนะี่ะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านต้องการอะไรใช่ไหมนะท่านต้องการให้เราพ้นทุกนะให้เราถึงนิสุเ่นทุกหรือถึงซึ่งพระดิพานนั่นแหละครนะาวนี้การถึงที่สุดแห่งทุกนั้น <c oughs> จะใสอาการสวดมนต์อ้อนวอนหรือว่า การสอนบอกให้เกิดความศักติิทธดหรือว่าพิธีกรรมต่างๆ อ, อันนั้นก็ไม่ใช่หนทางในการพ้นทุกข์เนาะมันมันคงไม่ตรงทีเดียวนะอย่างั้นก็กลายเป็นอะไรงี้ไปนะมันก็ไม่ไม่ถูกทางแต่การถูกทางก็คือการที่เรามาฝึกอบรมจิตใจเรานี่แหละฝึกเท่าทันนะทน เ, เ, นนเท่าทันจิตใจเราเห็นไหมมันมีคําว่าเท่าทันนะเท่าทันก็คือรู้ทันนั่นเองใช่หไหม รู้ทันจิตใจเราเป็นอย่างไรเนาะก็ต้องรู้ทันนะชอบใจก็รู้ทันไม่ชอบใจก็รู้ทันโกรธก็รู้ทันรักก็รู้ทันเกียดก็รู้ทันน้อยใจก็รู้ทันอิจฉาก็รู้ทันมาถึงหัวก็รู้ทันเนาะจิตใจเป็นยังไงก็รู้ทันหมดนี่แหละเมื่อรู้ทันแล้วมันก็เห็นสภาวะนะโอ้จิตใจเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่เราเนี่ยแหละเราเป็นผู้ดูไม่เป็นผูเป็นนะตรงเนี้ยสําคัญมากเนาะ บางทีไปฏบัติรรมแล้วเรามีความสุขมีความปิติใจปไปบัติแล้ววันนี้รู้สึกตัวดีจังเลยเราก็ไปชอบใจนั่นะมันมันเป็นผู้เป็นแล้วใช่ไหมไปฏิบัตแล้วมันเป็นยังไงกรก็รู้ทันไปดูใจไปนะดูใจเออมันชอบใจก็ ร, รู้นะกลับมารู้ที่ใจไม่ได้ไปอยู่กับความชอบใจนะกลับมารู้ที่ใจเราใจเรารู้ทันไหมตอนนี้ใจเรา อมีความดีใจมีความชอบใจเนี่ยก็ต้องรู้ทันใช่ไหมตอนนี้ใจเราไม่ดีนะวันนี้ไปบัติแล้วไม่ดีเลยวันนี้หลงมากหลงทั้งวันไม่รู้สึกตัว <rivalry> ไม่ชอบใจก็ ก, กลับมารู้ทันก็ตอนนี้เราไม่ชอบใจแล้วนะกลับมาเห็นใจที่มันรู้ทันนะตัวเรามันรู้ทันใจเราใช่ไหมรู้ทันวันสําคัญ น, นะสาคัญกว่าที่ว่าไปบัติแล้วมันต้องได้อะไรใช่ไหม แต่เราต้องได้อะไรมันมันเป็นแค่ความปรุงแต่งมันไม่แน่ไม่นอนบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีใช่ไหมอ่านั่นแหะมันเป็นความไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมอ่มันไม่แน่าไม่นอนบอกนะไม่ใช่มันดีทุกวันใช่ไหมอ่มันต้เป็นแบบนั้นแน่นอนบางวันดีแล้วก็ดีใจบางวันไม่ดีแล้วก็ไม่ชอบใจนั่นแหละมันมันหลงไปตามดีเลยแล้วหลงไปตามความปุงแต่งนะหลงไปตามขันห้าที่มันปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆเนาะ เนี <premises. S 2> ่ยเราเป็นผู้เป็นตรงนั้นเลยนะเป็นผู้เป็นแต่เรากลับมาดูว่าตอนนี้มันชอบใจนะมันไปบัตรดีอ่ามันรู้สึกตัวดีชอบใจก็กลับมารู้ทันเ่าตอนนี้มันชอบใจนะเห็นใจมันชอบใจรู้รู้รู้แล้วก็ไม่อะไรอะไรกับมันก็คือไม่ต้องจัดการมันรู้แล้วก็แม่อะไรอะไรกับมันใช่ไหมมันไม่ชอบใจโอ้ไปบัตรแล้วไม่ดีไม่ชอบใจก็รู้แล้วก็แม่อะไรอะไรกับมันเป็นเรื่องมันเองไม่เรื่องเราเราแค่รู้เท่านั้นเอง มันก็จบที่รู้นะเนี่ยมันก็ออกจากความทุกได้นะเนี่ยมันออกจากความทุกแค่ในเองก็คือออกจากความพอใจและความไม่พอใจ <c oughs> <c oughs> เห็นอารมณ์ต่างๆนะเป็นสิ่งทูกรู้นะอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจเป็นสิ่งทุกรู้เราเป็นผู้รู้รู้แล้วก็ไม่อะไรอะไรกับมันก็จบแทนกันแล้วมันก็ไม่ทุกแล้วใช่ไหมมันก็เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกง่ายๆออกจากความทุกง่ายๆแล้วก็อาจจะถึงที่สุดแห่งทุกด้วยอย่างนะตรงเนี้ยเลยหลวงพอ่อ ทำกณฑก็บอกไม่ไม่ไม <Quando> no. you know I mean ่ไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่อะไรอะไรกับมันนะเป็นผู้ดูไม่ก็ผู้เป็นมันดีก็เราก็ดูมันอก็ไม่เป็นอะไรกับมันมันไม่ดีมันไม่ชอบใจก็ดูมันไม่ได้เกินอะไรกับมันรู้เฉยไปนะไม่ต้องทําอะไรนะมันง่ายนิดเดียวเนาะแต่ตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันง่ายนะมันต้องใส่ความรู้ตัวก่อนนะกลับมารู้กายรู้ใจรู้ปัจจุบันนี่แหละท่านทีบอกว่าปปัญญาจังเลยหลงทั้งวัน แต่ตอนนี้เรารู้ไหมว่ากําลังนั่งอยู่อ่ะรู้ไหมกําลังได้ยินนะรู้ไหมกำลังคิดไปนี่แหละกรรมาอยู่ปัจจุบันทุกก็คือปฏิบัติธรมแล้วใช่ไหม่าปฏิบัติธรรมแล้วต้องต้องต้องไม่ไม่หลงเลยนะต้องต่อเนื่องทั้งวันหรือว่าต้องไม่เผลอนะไม่ไม่จำเป็นใช่ไหมเผลอก็ได้ไม่เป็นไรกรรมาอยู่ปัจจุบันนี่แหละตอนนี้รู้ไหมอ่ากำลังคิดอยู่นะกำลังไม่พอใจกำลังรังชังกำลังนั่งกําลังกินแล้วมันต้องรู้ปัจจุบันนะแค่ีจบเลยนะง่ายนิดเดียวนะ หลังก็ไม่ได้ให้ฆ่าอะไรเกิดขึ้นก็แลกดำันเราเป็นผู้ดูตท่งนั้นนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปิดัธรรมก็ยังง่ายเนาะเอาละเต็มตัวรับสยะหาวารี